بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على شرف الأولين و ا ل ا خ ر ي ن نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ب ح س ا ن إلى م د ي ن ثم ما بعد <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ي أ ت السبسي تي الله سبحانه وتعالى ش ا ب ت ك م قوم มนักิกญากลุ่มหนึ่งที่พูดดูถูกท่านนาบีรับหลังและต่อหน้านาบีก็สาบานว่าไม่ได้พูดแต่เราสหว่านตตาลได้แช่พฤติกรรมของเขาเราได้บอกว่าคนที่กระทำกระทเรื่องนี้นี่ก็คือ อัลจุลาส์อับนอมรและก็มุนาฟิกีนสองสามคนซึ่งคนที่ไปฟ้องท่านนบีก็คือลูกเลี้ยงของตัวเองอับบูฮามรและผมได้ทิ้งข้ายของอาญานีว่าไม่พบหลักฐานชัดเจนว่าท่านนบีุลเลาลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมดิ ได้ทำยังไงกับอัลยูลาสได้ลงโทษยังไงได้ประนามยังไงแต่ในท้ายของขยาเนี่ยซึ่งเป็นเป็นช่องทางที่อัลลอฮสุฮาห์นวาจาละได้เปิดไว้สำหรับกรณีนี้และทุกกรณีของคนที่มีพฤติกรรมเยีง่งพฤติกรรมของมุนาฟิกรร ซึ่งตอนท้ายอายันนี้ที่เราไม่ได้อธิบายละเอียดเมื่อคราวที่แล้วนี่ก็ขอไว้นิดหนึ่งเราบอกว่าฟอีย่ตูบูยะกุค้อยรันละหุหาพวกเขาได้สํานึกผิดกลับเนื้อกับตัวก็เป็นสิ่งที่ดีแก่พวกเขาก็หมายถึงว่าตัวมุนาพีกีนที่ได้ดูถูกท่านนาบีรับหลังแล้วก็มาสา บ, บานต่อท่านนาบีว่าไม่ไดีพูดเนี่ถึงการกระทําของเขามันมันเลวทามขนาดนั้น แต่ละ سبحانه และก็ยังก ah ็ย ah um ังเปิดประตูแห่งความเมตตาของพระองค์ตัวแห่งความเมตตาก็หมายถึงว่าถ้าเขาสำนึกสำนึกผิดนี่อัลลอฮ์ سبحانه และก็จะให้อภัยอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าถ้าถ้าสำนึกผิดแล้วขอไปโทษอัลลอฮ์จะให้อภัยโทษอัลลอฮ์บอกว่าเฟีตูบูยะกุคัยรัลละหงถ้าเขาสำนึกผิดกับเนื่องกับตัว ก็เป็นสิ่งที่ดีแก่พวกเขามาบางท่านบอกว่าไม่เหมือนคนกระทำความผิดโดยเฉพาะบาวใหญ่ที่กุฎาได้บุตรเป็นคนที่ทำดินาคนที่ขโมยแม้กระทั่งคนที่คนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเลยนะแล้วก็มารับอิสลาม หลายอาะห์หลาก็บุ้ถึงเรื่องการให้อภัยโทษอย่างชัดเจนเลยแต่ทําไมตรงนี้พระอิยาตูบุถ้าเขาเติบัตรตัวกับเนื้อกับตัวก็ดีเป็นรื่องดีสําหรับเขาแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องการให้อภัยโทษจากอัลลอฮฺซุหานาะห์ตะนะซึ่งเรื่องนี้เรียกว่าเตูบะตุสินดีก คนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นกาเฟตเรื่องการมารับอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ให้อภัยโทษเต็มที่อุดหนุนคำพูดชัดเจนแต่คนที่มารับอิสลามแล้วรับอิสลามแล้วแล้วก็หันไปเป็นกาเฟตอีกเนี่ยเนี่ยการรับอิสลามแล้วก็การกูฟดอีกทีหนึ่งเนี่ยอันนี้เนี่ยอุลามาเขาจะให้ฉายาฉายานะ ไม่ใช่การฟื้นล่ะใช่ใช่ยาวว่าซินดีกซินดีกเนี่ยมันเป็นคำศัพท์ภาษาเปอร์เซียและถูกประยุกต์ใช้ในภาษาละซินดีกเนี่าายเขาใช้กันในช่วงอาณาจักรอิสลามที่ได้พิชิตเปอร์เซียองครักษคนผู้เลื่อมใสในกษัตริย์ ของเปอร์เซียหลายคนเนี่ยแฝงตัวรับอิสลามและแฝงตัวมาในสังคมถึงขนานที่เข้าไปรับใช้คอลิฟะทั้งหลายแต่ได้ทำแผนกระบุตรทำแผนกระบุตรเรื่องนี้ปรากฏมากขึ้นในยุคขลาฟะของของอับบาสิยะดูเฉพาะคอลิฟะ ด อ, อลิฟะก่อนฮารุนรรชิดเช่นไรขลิฟะคนหนึ่งก่อนฮารุนโรชิดขลิฟะคนนี้เนี่ยได้ตั้งหน่วยงานเฉพาะเลยหน่วยงานเกาะติดสืบสวนอดีตผู้รับใชาราชวงศ์เปอร์เซีย แฝงมาอยู่ในในรัฐบาลอิสลามาในอนาณาจักรคิลาวาอิสลามแล้วพยายามที่จะวางแผนกระบฏแม้จะกระบฏในตัวระบบคิลาวาหรือไปกระบฏในรัฐรัฐอิสลามต่างๆซึ่งเกิดขึ้นความวุ่นวายมากแล้วในอนาณาจักรอาบบาซิยาเนี่ยเนื่องจากอาณาจักรอุมาวิยาเนี่ยเขาจะพึ่งพา แม่ทัพที่เป็นเชื้อสายอาหรับมากกว่าแต่อับบัเซียเนี่พอมากบฏอุมาวิยะเนี่ยเขาก็เลยไม่กล้าพึ่งพาแม่ทัพที่เป็นสายอาหรับพอส่วนมากนี่ก็เซวาลีพักกับอุมวาวยะเขาก็เลยต้องไปเอาพวกแม่ทัพเคยที่เค้นเป็นแม่ทัพของเปอร์เซียเรียกมามารับใช้เขา พวกนี dijo, no no no ้ก็เลยช่วยโอกาสโอ้ได้โอกาสแล้วพอเขานี่มารับอิสลามนี่ไม่ดไม่ด้ไม่ดว่าจะเริ่มใส่ในอิสลามแต่เขาต้องการต้องการเอาคืนอาณาจักรฟื้นผูอาณาจักรเปอร์เซียอีกทีนึงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเริ่มมีวิแววเนี่ยตั้งแต่สมัยอุมารบินขตามเนีอบูลูลูอัลมาดูซีที่เป็นทาดของอัมุฮีร์บิชอบะอ่านว่ารับอิสลาม แล้วก็ขอมาอยู่ที่มาดีนา่าเนี่เพราะผมมาอยู่ที่มาดีนา่าเนี่วางแผนสังหารอัลมอรมรุนขตอบพราะคนคนนี้เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเลื่อมใสในอาณาจากักรเปอร์เซียเหมือนกันแล้วก็สังหารอัมร์ตุนขตอบนี่เพราะแค้นที่อัมร์ตุนขตอเนี่เป็นผู้วางแผนลม้ลมล้มสถาบันของสถาบันปกครองของเปอร์เซียในที่ไปที่มาทังคอริฟ่านี่ อาณจักรอาบบอสเซียนก็เลยตั้งหน่วยงานตรวจสอบให้คนที่มาแอบแฝงอ้างว่าเป็นมุสลิมเนี่ยและมีเชื้อสายเปอร์เซียเนี่ยให้ติดตามก็ติดตามแล้วก็ให้ฉายาว่าพวกนี้เนี่ยพวกเจนาดิควะพระอุปธิเอกพจน์ของมันในซินดิควะเพราะมันเป็นประเด็นเนี่ยเป็นประเด็นอุลามาก็ต้องอุลามาก็ต้องพัตว่าเนีพรามันเป็นประเด็น ว่อพวกเจนนิคก่อนไอพวกจินดีกเนี่ยล้วแต่มันต้าบัดตัวละโดยหลักการศาสนานี่กาเว้นีนรับอิสลามลเราคอยอภัยตัวหรือแม้กระทั่งคนที่รับอิสลามแล้วแล้วก็ทําสิ่งที่ทําให้เขาหมดตัดตกศาสนาแล้วเขาก็มารับอิสลามใหม่เพราะไม่เข้าใจตอนแรกไม่เข้าใจอัลลอมันก็บอกว่าได้แต่มันเกิด ปัญหาาไอคนที่รับอิสลามตั้งแต่แรกเลยเรารู้กันตั้งแต่แรกเนี่ยว่าเขาไม่ได้รับด้วยความเลื่อมใสซึ่งต่างจากคริสต์นั่นคริสต์น่นคือคนแรกเนี่ยเขารับอิสลามด้วยความเลื่อมใสแต่ด้วยความที่ไม่เข้าใจไม่รู้อะไรบางอย่างก็ไปทําสิ่งที่มันทำให้เขาหมดตัดแต่เขารับอิสลามด้วยความเลื่อมใสจริงแต่สมมติฐานของซินดีกเนี่ยก็คือตั้งแต่แรกเลยเขารับอิสลามโดยไม่เลื่อมใส ซึ<ส>่งมันก็สอดคล้องกับพวกมุนาฟิกีเนี่ยที่เขารับอิสลามตั้งแต่แรกเลยเขาไม่เต็มใจที่จะรับอิสลามก็เลยเกิดเป็นประเด็นว่าให้บพวกมุสันาจิคอร์เรื่องพวกมุนาฟิกีเนี่ยอัลลอฮ์จะรับเต้าบาตัวเขาไหมฮัลทุกบาตัลทุกบาหลบาตุซินดีก่อนอันี้เราต้องแยกย่ามีสองประเด็นนะในประเด็นหนึ่งมีสองประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องการรับเตาบาดตัว การที่เราับตาบัตรตัวกเขาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องอัลลอฮ์นะแต่เราต้องได้รู้หุกขมหุกมนี่ว่าเออคนแบบนี้ถ้าเขาสำเนึกผิดเนี่ยอัลลอฮ์จะรับเตบัตรไหมกับเนื้อกับตัวนี้อัลลอฮ์จะให้อภัยโทษไหมนี่ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองคือต่อหน้าเรานี่ต่อเมื่ออันนี้ไม่เกี่ยวกับอัลลอฮ์นะมันเกี่ยวกับในสังคมเนี่ยต่อหน้าเราเนี่ยเพราเรานี่ไม่มีสัญญาณหรือไม่มีข้อมูลจากอัลลอฮ์ว่าคนนี้เนี่ยข้อแท้จริงเขาเป็นยังไง เราได้แต่ภายนอกของเขาเขาประกาศว่าเขาเป็นมุสลิมประเด็นเนี้ยแต่เขายังประกาศว่าเขาเป็นมุสลิมเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เพราะถ้าหากว่าถ้าเขาประกาศยังเป็นมุสลิมแล้วก็เราไม่รับไม่รับอิสลามหรือไม่รับการเต้าบัรตั ว, ตวก็หมายถึงว่าต้องประหารชีวิตเพราะเขาทำาสำิ่งที่ทาให้เขาเป็นมุรตะ เรื่องนี้มันก็ไปเกี่ยวโยงกับประเด็นการลบหลู au, ah nee ่ท่านนบีสุลต่านละอัลเลาะห์คนที่ลบหลู่ท่านนบีสุลต่านละอัลเลาะห์อัลเลาะห์เขาจะพูดเต้าบาดตัวได้ไหมอัลเลาะส่วนมากบอกว่าเรื่องเต้าบาดตัวระหว่างเขากับอัลเลาะห์นี่อัลเลาะห์จะรับหรือไม่รับเนี่ยเราไม่รู้แต่การกระทําผิดของเขาเนี่ยมันเป็นคดีอาญา ต้องลงโทษถึงจะเตบัดตัวก็ตาใครๆสินาสินานี่ผิดประเวณีนี่ยมันคดีอ า, าถ้าสมมติว่าสองคนที่ทำสินาเนี่ยคู่สินาเนี่ยเขาบอกเอ้ฉันยินยอมฉันไม่ติดใจตกลงยกโทษได้ใช่ไม้มไม่สองคนบอกว่าฉันเต้บัดตัวแล้วไม่ต้องไม่ต้องลงโทษไห ม, ไมต้องลงโทษอยู่ดีหรือคนนี้ขโมย อายาแผ่นดินมันเป็นสิทธิส่วนรวมมินท่านนาบีเนี่ยมันมันเป็นสิทธิของท่านนาบีเขาจะเตบาบัตัวไม่เตบัดตัวมันมันเป็นการกระทาที่จะต้องที่จะต้องถูกลงโทษแต่ทีน่นี่อันนี้นีมันไม่ใช่เรื่องลบหลู่รนบีหรืออะไรมันเป็นเรื่องไม่ศรัทธาเลยอย่ะคนที่ไม่ศรัทธาแต่ไม่ศรัทธาแล้วก็ เอาเรื่องศาสนามาเป็นฉากบางหน้าเหมือนที่อัลลอฮบอกใน Surat al Munafiqoon Surat al Shafayil Surat al m u n a f i q o ะ n اتخذوا أي منهم جنة فصدوا عن سبيله เขาได้เอาอีมานนี่มาเป็นเราะหิดบังป้องกันตัวเองเลี่ยสุดดวสบีลโดยเขามีเจตนาที่จะขัดขวาง ในหนทางของเราหมายถึงว่าทําให้คนเนี่ยไม่เข้าใจอิสลามถูกเข้าใจอิสลามผิดผิดถูกถูกหรือไม่ไม่ปรารถนาที่จะรับอิสลามอันนี้แผนแผนของพวกกุมุนอัลเบกินที่อัลลอฮฺพูดถงฉะนั้นจะเข้าใจเหตุผลว่าอันนี้เนี่ยที่ที่อัลลอฮุ سبحانه และ تعالى ไม่ได้บอกว่าถ้าเขาเติมบัตรตัวอัลลอฮฺจะให้อภัยโทษแต่เขาเติมบัตตัวนี้เป็นเรื่องดีสําหรับเขา เหมือนว่าคนพวกนี้เนี่ยต้องระวังตัวให้ดีเพราะถ้าเขาไม่จริงใจเนี่ยเราจะไม่เอ่ยโทษนะเพราะเนี่ยเราไม่ได้ยินยันกับเขาว่าถ้าเขาสํานึกผิดเนี่ยเราจะให้อภัยแต่เราบอกว่าเป็นเรื่องดีสําหรับเขาจะได้ไม่ถูกลงโทษในสังคมมุสลิมนั่นแหะดีสําหรับเขาเพราะถ้าเขายังขืนประกาศทรยศ ต, ต, ต่ออิสลามนี่นะก็จะถูกลงโทษถูกประหารชีวิต ل و َ ق َ ت و ل و ا ل د ه ُ م ا ل ل ع ه ي ا ل ل َّ ا ل ل ع ه ي س ن َ ن َ ه ي ْ أ ل َّ ا كَانَ س ا ب ي ع ذ ب ه ْ ه ل ي ْ أ ل ا ك َ ا ل َ ن ن ي أ ل ا في ا ل د ن ي ا ن ق ه ْ هَيْ أ َ ل ا كَانَ سَنَعْ ن َ ه ه ل ا ن َ ا ن َ سَنَعْ ن ه ْ ه ي ا ل َّ ا ك ن ولي ولا ن ص ي ر ل َ ي ْ أ َ ا كَانَ س ن َ ع ْ ا َ ه ْ هَيْ أَلَّ ในพื้นแผ่นดินนี่แฉไปแล้วชุดหนึ่งอุนานาเบกินแฉไปแล้วชุดหนึ่งซึ่งการกระทําชุดนี้เนี่ยมันบรรจุได้ในหมวดว่าด้วยมารยาทมารยาทมุสลิมต่ออิสลามคืออัลกุลาสนาฮมรีเขาเขาเ ที่พ e w w hi ุทธานได้บอกว่าอยู่กับพวกเขานี่ก็อีกด้านหนึ่งว่อยู่กับท่านนบีสุลตานเลสลเลมก็อีกฉากหนึ่งซึ่งอันนี้มันเปนพื้นฐานมารยาทพื้นฐานมารยาทแต่อายะที่สิบห้าเนี่ยเริ่มแชพฤติกรรมของมุนาบิกีนที่ไม่หวังดีต่อสังคมเลยสังคมแล้วนะมีความเสียหายจะเกิดขึ้นกับสังคมแล้วนะ ไม่ใช่เร่งมารยาทส่วนตัวกับอิสลามมารยาทส่วนตัวกับสังคมความมุน่าฟิกเวพว ก, กวับกอกนี้ก็คืออยู่กับพวกนี้ฉากหนึง่งกับพวกนี้ฉากหนึง่งนี่คือนิยามของมุน่าฟิกินทั่วไปที่เราจะที่เราจะเข้าใจว่าไอ้คนนี่สองฉากนี้สองหน้าเนี่ยเนี่ยน บ, บีได้บอกว่าคนที่เลวร้ายที่สุดนี่คนที่มีสองสองหน้าคือสองฉาก กับคุมนึงกันเลยชะนึงกลุมนึงกันเลยชะนึงชั่นนี้นักสิุ้ลวิจัยนี่ลควาฮาล่บิวจินเฮาอเล่บิวจินนี่คือนิยามของมูนาที่เราส่วนมากเข้าใจมุนาก็คือประเภทอี่นี้อายาเจ็หน่ากลัวมากเลยเพราะมาแชรพฤติกรรมของมุนาฟีกีนที่เขาบิดผิวบิดผิวในการทําหน้าที่ต่อสังคมในเรื่องสกาดในเรื่องช่วยเหลือสังคม م د و ا سي الله سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله لأن أتانا من فضله لنصدقنا ولنكونن من الصالحين فلما آتىهم من فضله بخل و ا به وتولوا هم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما خلف و الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون ومنهم และในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่ได้สัญญาแก่อัลลอ์ว่าถ้าหากพระองค์ได้ทรงประทานแก่พวกเราซึ่งส่วนหนึ่งจากความกรุณาของพระองค์แล้วใส่ความกรุณานี้ก็คือมีทรัพย์มีสินมีเงินมีทองแน่นอนเหลือเกินพวกเราจะบริจาคทานและแน่นอนยิ่งพวกเราจะได้เป็น ผู้อยู่ในหมู่คนดีโออัลลอ์ถ้าอัลลอ์นี่ให้เราได้เป็นคนรวยแล้วเป็นคนที่มีสตุง้งสตางมีเงินมีทรัพย์สินเราจะสดะกและนัสนสละกันนะทำบุญเรจะเป็นคนดีผมว่าสัญญาแบบนี้เนี่ยมีใครบ้างอาไม่พูดแล้ว ผมเองก็พูดพูดแบบเนี้ย AH ออนไลนขายฉันได้มีตังค์สักคนใหญ่แล้วก็ผมจุดธนกรจะบริจาคแล้วพี่น้องที่บริจาคเนี่ขอด้วยขายที่หน่อยนะจะได้ทําบุญ <laughs> จะขอด้วยใ้ธุรกิจขายดีขายดีหน่อยนะจะได้จะไ ด, จะได้จะได้บริจาคจะได้เอาสกาัดไม้ไว้เนี่ยมีใครไม่พูดแบบนี้แสดงว่านี่นี่นน่ากินาากันเละตุมเบลเล่ย คือแค่สัญญาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีปัญหาปัญหาของมุนาวิกินชุดนี้เนี่ยพากเขาสัญญาแล้วนี่แต่ถ้าขุมมีมมฟัตลีฮิแต่ถ้าขุมขั้นเมื่อพวกครั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงประทานให้แก่พวกเขาประทานแล้วเนี่ยซึ่งความซึ่งส่วนหนึ่งจากความกรุณาของพระองค์ก็คือหมายถึงว่าให้มีทรัพย์สินมีเงนินมีทอง พวกเขากระตณนีในส่วนนั้นในส่วนที่อัลลอ์ให้มาเงินทองที่อัลลอ์ประทนให้มากระนีนไม่บริจาคไม่ทำบุญอย่างที่เขาเคยสัญญาไว้กับอัลลอ์และได้ผินหลังให้โดยที่พวกเขาเป็นผู้ผิดหลังให้อยู่แล้ววล้ ว, ะะวแล้วโอ้โหมั ว, มวร์ทุนป่ดินมันจะอยู่ตรงนี้และอันนี้ในที่น่ากลัวอัลลอฮ์ ขอให้ฉันได้รวยขอให้ฉันได้มีตังขอให้ฉันแล้วก็ดูฉันจะทำบุญเต็มที่อะไรเต็มที่แตพอได้แล้วจริงนะนะได้แล้วจริงบิดพลิ้ก่อนหรอไม่ทำแต่แบบนี้นะนะเป็นพฤติกรรมของมุนาฟิกน่ากลัวไหมโอ้โหขอให้ฉันได้เป็นผบตร และเดี๋ยวฉันจะจัดการเรื่องยาเสพติดเรื่องเก็บสวยคมนาคมทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวฉันจะจัดการหมดโอ้อัลเจ้ขอให้ฉันได้เป็นนายกสศีและเดี๋ยวฉันจะทําเป็นแล้วยังไง บางคนเนี่ยกไ็ไม่ถึงขนาดที่ต้องเป็นนายโอ้ขอขอจะเป็นกำนันแค่กำนันแต่ฉังเป็นแลงไงวันเราขอฉันได้เป็นอิหมามขอฉันได้เป็นกรรมการมุสิตขอฉันได้เป็นกรรมการอิสลามขอฉันได้เป็นผู้นำขอฉันได้มีอำนาจแล้วฉันจะต้อนทำแล้วพอเป็นแล้วเนี่ย ไม่ทำเนี่ยเป็นพฤติกรรมของมุนาฟิกมันเนียเนียน่ากลัวแต่เนื้อหาของพฤติกรรมเนี่ยมันก็คือเนื้อหาของคนโกหกตอแหลนันแหละซึ่งนบีก็บอกแล้วมุนาฟิกเนี่ยมันมีลักษณะที่ะพัดตะกั๊ดบแต่พูดแล้วนี่ก็ต้องโกหกเพราะที่ะอาหะตกั๊ ถ้าได้สัญญารับปากอะไรไว้เนี่ยก็จะบิดผิวก็จะไม่ทำตามสัญญาเรื่องนี้เนี่ยมันมีที่ไปที่มาของซอฮาบะท่านหนึน่งบันทึกดอิมมตบบรีและบันทึกในบรรดาตาราตับเซียเนี่ยเป็นเรื่องราวที่มีชื่อเสียง ถ้าเราเล่ามาบุ้งา่านเช่นอิมามอิบนฮริมามุรุบีมามอิบนฮซมอยุปัจจุบันนี่ก็มีเชลบนีเชอมชาคิเล่ามาล่านเดียวบอกว่าสายรางานมันใช้ไม่ได้เลยสรายงานมีมีผู้รายงานเนี่ยใช้ไม่ได้เลยแล้วในเนื้อหาของเรื่องราวเนี่ยมันมีอะไรที่มัน้านกับ เรื่องราวบางอย่างที่มันถูกต้องอยู่แล้วชื่อซาบคนนี้เส้าอาะบะอิบนอบีฮาติคนเนี้ยมาบอกกับท่านนบีนบีขอดูอ้ห้ฉันรวยเถอะขอให้ฉันได้มีเงินให้มีตังมีทรัพย์สินและฉันจะสดุดเราก็ฉันจะทำา นบีก็เตือนซาลบาบาอนนี้ตามรายงานนะนบีก็เตือนซาลบาบาเนี่ท่านก็มียิ่งอย่างในตัวฉันใช้เงินเล็กน้อยก็ได้แล้วก็ดารงชีวิตให้พอดีพอดีไม่ต้องมีความโลภแบบนี้อยากได้ตั้งไม่ต้องเป็นแบบนั้นอย่าเป็นแบบนั้นเลยบอกกันบีถ้าฉันได้เงินในฉันสามารถบริหารได้นะฉันจะทำอย่างนั้นนบีก็พยายามที่จะเลี่ยงให้เขาเตือนเขาเตือนสติเขา ขยันขยอยท่านนบีขอด้วยให้ได้นบีก็เลยเบื่อก็เลยขอด้วยอัลลอฮุมอาติสัลลอบตามาลันอัลลอฮ์ขอให้สัลาบานได้มีซับด้วยนบีขอแบบสั้นๆนะครับนี่ท่านนบีตั้งใจขอด้วยแล้วก็มีแพะไม่กี่ตัวนี่นะครับพอท่านนบีขอด้วยนี่เขาบอกว่าคนที่รายงานฮานิซี่เขาบอกว่า แพ้เนี่มันงอกเงยเหมือนหนอนเหมือนตัวหนอนคือมันมีมันมีลูกมันมีลูกเหมือนหนอนนะ่ยมันขยายขยายตัวจนจนกระทัง่งคอกที่อยู่มาดีหน้านี่นะไม่พอสําหรับแพ้ของขอ ง, ของฮาวท์สาละแบบเนี้ยอ้พีฮาวทต้องย้ายไปซื้อที่ดินนอกเมืองมาดีนะไม่ได้เป็นอคอกแล้วนะจะเลี้ยงตามแบบว่าเลี้ยงตามทะเลทรายเนะี่ยซึ่ง กว้างไปศาลขนาดนเขาบอกว่าก็ดูอาของท่านน บ, บีก็ยังก็ยังมีผลกับทรัพย์สินของเขาแพนี่บกว่ามันขยายตัวเหมือนหนอนท่านน บ, บีก็ส่งคนที่เก็บสากาศไปหาซาลาบาท่านนบีบอกว่าเก็บสากาศใจสากาศเขาบอกว่าอะไรนี่ ไม่มีไ 𝒆. ม่มีแล้วที่มาเก็บอะไรนี่มันเหมือนหนึ่งเหมือนใจจิเซียเหมือนพวกเยโฮลดแล้วเราซาร่ใจจีเซียนอะไรนี่เอาอย่างงี้ดีกว่าไปก่อนไปก่อนไปเก็บสกาศจากชาวบ้านก่อนแล้วก็ค่อยมาตอนนี้ก็ไปเก็บสกาศจากชาวบ้านก็มีคนหนึ่งเขาก็เลี้ยงแพะเหมือนกันเลี้ยงแพะเลี้ยงอูเลี้ยงปัสุสัตเนี่อไปเก็บสกาศนี่เขาก็เลือกคัดเลือกปัสุสัต์ที่ดีที่สุดของเขานี่มามอบให้ท่านนบี เส็จแลนี่ก็มาหาซว่าอกทีนาจะจ่ายหมโอ้ยนี่ซึไปม่มีจริงเสียเหมือนยนรก็จเสียอพวกที่เก็บ z a นี่ก็ริงานท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลนบีก็เลยก็ฮัลละก็ซาละบาตายแล้วซาละบาตายแล้วยานะแล้วซาละบาแล้วคนก็ไม่บอกซาละบาหนิตัวเองทาอะไรนี่ท่านนบีลูกอาบอกว่าแกนี่ตายแล้ว กระีวิ่งมาหาท่านนบีขอให้รับสัการนบีไม่รับสัการจนกระทั่งนบีเสียชีวิตซาลาบะกับมหาอบูบั克รได้โปรดรับสัการจากฉั้นด้วยบอก็่าสการนบีไม่รับนี่ยฉันจะรับเด็กฉันจะบังอาจรับได้ไงก็ไม่รับสัการจนกระทั่งอบูบักร์เสียชีวิตแล้วมหาท่านอุมมร์มุลขับอบูบั克รยู่ขึ้นลาวะสองปี แต่มาหาองครนขัตอบอกว่าท่านองครัน์ได้โปรรับสัการจากท่นด้วยเขาบอกว่านบีไม่รับสัการไม่ยอมรับสัการจากท่านเขรู้เรื่องไงเอุว่ารัตน์ไม่รับสัการฉันนี่จะรับจะกล้ารับสัการได้ไงไปไม่เอาสัการและแน่นอนอยู่อยู่แบบนี้เนี่ยก็ทรมานเนี่ยอาซามนย่างที่องค์รัตน์บอกอยู่ทรมานเนี่ย ทรัพย์สินไม่มีความหม า, หายอะไรเนี่ยคนไปมาผ่านไปผ่านมา น, นี่นะ่เน่ยโดนนบีแช่งเนี่ยนี่นะ่ย โ, โดนโดนนบีไม่เอาสกาดเนี่ยทรัพย์ ส, สินของเขานี่ไม่มีมงคลใครอย่าไปยุ่งมีมีความสุขยังไงจนกระแทกห้งองโทรศัพท์เสีชีวิตอยู่คาลิะละาฟะห์คาลิฟะห์แปีมาฮัตันอุสมานอิบนนาะฟามาขอร้องท่านได้โปรดรับสกาัดโอ้ย ท่นนบีก็มจรับอุบากรักอุมรก็รบฉันก็ไม่รัจนกะตั้งซาลาบาเนเสียชีวิตในยุคของอุสมานอับุานดีนี้รายงานนี่ยวอกะซาลาบาอับดุอบีฮะติบนีอัลมาที่ผมได้ข้างต้นเนี่เขาก็เป็นสายรายงานด้ยซาลาบอับุอบีฮ อันซารีเป็นชาวอันซารจากเผ่าอาสตะกูณเป็นอย่างมรุนแางแล้วยังเป็นสมาชิกสหบาที่ได้ร่วมทําสงครามบัตร์กับท่านนบีด้วยทําไมอิหม่ามกุรตูบีได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้ว่าท่านนบีบอกว่าชาวบัตรเนียอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นบีบอกว่าอัลลอฮ์ให้อภัยโทษของเขา อย่างเด็ดขาดหมายถึงว่าเขาจะไม่มีโอกาสที่จะเป็นคนมุนาฟิกอย่างแน่นอนแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความคาดเคลื่อนมีความคาดเคลื่อนในเรื่องชื่อก็เป็นไปได้เป็นไปได้แล้วเราจะไม่เสี่ยงที่จะกล่ า, หาวหาสหะว่าที่มีความแน่นอนว่าเขาเป็นสมาชิกสงครามบัตเนี่ยกล่าวหาว่าเขาเป็นมุนาฟิก และมีอายาของมุนาฟิกินดูประจักเพราะการยืนยันของนักแรงงานหะดิษที่มีความอ่อนแอในเรื่องความจําอยู่แล้วเนี่ยเราจะไม่เสี่ยงที่จะกล่าวสวหาหะกล่าวหาสาบะว่าเป็นมุนาฟิกแบบนี้ดีกว่าที่จะบอกว่าอะหะดิษนี่เนี่ยไม่แน่นอนแต่อายานี่แหะอายานี้ชัดเจนว่ามีพฤติกรรมของสหาหะคนหนึ่งที่ทําเหมือนมุนาฟิกินแบบนี้ แต่ไม่จำเป็นต้องยืนยันนะว่าเขาเป็นสาหรือเปล่าอิบเนอเบฮะติซึ่งอลามาหลายท่าบอกว่าเรื่องนี้ยเรื่องเนี้ยจริงแต่ไม่ยช่ซาหรือปล่าหาถึงว่าการระบุชื่อสาอว่านี้ที่คาดเคลื่อนในสังคมเรานี่บางทีนี่ก็เกิดเรื่องแบบนี้โอ้ชิบเช็ดบังหมัดนี่เห็นคนนี่ข้ามถนนนี่แล้วก็เข้าเซเว่นไปซื้อขวดเหล้า แล้วเอาขวดเหล้านี่ไปหาไปนั่งวงล่าเนี่กินกันไอ้เหตุการณ์นี้จริงเกิดขึ้นจริงแต่คนที่เขาเห็นเนี่ยไม่เห็นบางหมัดมีมาเรื่องแบบนี้มีเรื่องแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นเยอะโดยเหตุผลสงสัยบ้า ง, ส, ง, ส, าางสายตาไม่ดีบ้างสายร้ายบ้างอะไรสักอย่างเนึ่ยแต่ความคาดเคลื่อนนี้มันมีมันเกิดมันเกิดทุกยุคทุกสมัย แต่ละสายรายงานของฮาริสเนี่ยที่อ้างว่าคนที่มีพฤติกรรมนี้เนี่ยคือศาลาบบอับดุลบิฮาติบเนี่เรามีเหตุผลที่จะปฏิเสธสายรายงานนี้เพราะในสายรายงานเนี่ยมีดอยฟีมีในรายงานที่อุลามะเนี่ยว่าดอยฟียึดดันความจำเนีใช้ไม่ได้เลยอ่อนแอมากซึ่งมันเป็นเหตุผลอยู่แล้วในการที่จะปฏิเสธสายรายงานสายรายงานทั่วๆไปนี่สายรายงานในการลังจะกล่าวหาสุฮาบะว่าเป็นบุนัฟิกเนี่มีใเรื่องเล็กนะ ท่านก็ต้องระ ม, มัดระวังสรุปแล้วเขาบอกว่ามันมีสามสายรายงานทั้งสามสายรายงานแต่ละสารยรายงานนี่ก็มีนักเรายงานฮะดิษที่อ่อนแอมาฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญฮะดิษเนี่ยเชีช่ยวชาญด้านฮะดิษด้านตัวซอฮะดิษเนี่ยเขายืนยันว่าการระบุชื่อซาและบเ น, บบนี่ยบีฮะตึบเนี่ยขาดเกินและเป็นฮะดิษที่ไม่ถูกต้องแต่เป็นไปได้ว่าเรื่องราพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นจากมุนาฟิตมุนาฟิกีนกลุ่มหนึง่ง จริงแต่ไม่ยิสานเลยพี่น้องซึ่งมีรายงานอื่นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมันเกิดขึ้นกับใครนั่นก็มีรายงานอื่นก็ระบุชื่ออื่นนะแต่ที่ที่มีชื่อเสียงในตําราตัฟซีนี่ก็คือเรื่องนี้เรื่องยิสานเลยพี่น้องก็เลยต้องมามาเล่าให้พี่น้องได้ฟังแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ก็เรื่องนี้แม้กระทั่งบ้านเรานี่ก็เคยมีนักวิชาการเยอะนะครับที่ มาแปลเป็นบทความขึ้นคุชบ้านในมีบ้านในโอ้โนี่เล่ากันเพราะมันเป็นเรื่องพอฟังแล้วเนี่ยคือเออมันมันเป็นเรื่องเป็นทุกเป็นตะนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือพฤติกรรมเนี่ยเราทุกคนเนี่ยผ่านมาไอเราไอเราเนี่ยที่เคยที่โอ้ถ้าฉันรวยนี่ดูฉันจะด็ดสอกรอเฮ้ ย, ยว่าเราเบาเนี่เอย เรื่องราวนี่มันก็เลยบางทีบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยชอบดูหนังนดูหนังม้วนนี้มัดหนังดูอยู่นั่นแนหะหนังม้วนนี้เออเพราะมันสะท้อนอะไรในชีวิตของเขาก็เลยชอบมันมันซึ้งอะ่ะเพราะ ม, มันพูดถึงตัวเขาเองเป็นไปได้และอย่างที่บอกกับพี่น้องว่าพฤติกรรมนี้เนี่ยที่มาแฉเขานเนี่ย มันไม่ได้แชรเรื่องมารยาทเรื่องโอหกตอแหลอย่างเดียวนะมันมาแชรเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมคือเรื่องศรัทธาจึงเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่อัลลอฮได้พูดได้พูดถึงข้อนีอ้ยานีอัลลอฮฺบอกวมินุมมันอาฮะดัลลอฮะแลนี้มุบวกข้อนี้มีผู้ที่ได้สัญญาแก่อัลลอฮฺสัญญา กับอัลลอ์ที่จริงเขาไม่ได้สัญญากับอัลลอฮ์โดยไม่มีบุคคลที่สามานะเขาไปพูดกับท่านนาบีไปรับปากกับท่านนาบีโอ้ท่านนาบีแต่ฉันมีทรัพย์แล้วเนี่ยฉันจะซัะกะแต่าก็ไปสัญญาแล้วก็เปล่งมาเป็นวาจากับท่านนาบีสอลลัลลอฮและด้วยเหตุผลนีนะ้เนี่ยเขาก็เลยถูกกล่าวหาว่า บิดพิวเพราะถ้สมมุติฐานว่าเขาสัญญากับอัลลอฮ์โดยที่ไม่ได้บอกใครเลยไม่ได้บอกใครเหมือนคนส่วนมากขอรัอวอัลลอฮ์ขอให้ฉันรวยขอให้ฉันถูกหวยถ้าถูกหวยหนูฉันจะสร้างมัสยิดสักหลังนึงอันนี้มีอันนี้มีจริงเพราะถูกหวยแล้วเอานี่จะทำอะไรทำดูเถอยู่ตดี๋ยวต้อง ต้องบริจาคให้มั ส, สยิดเพราะเพราะสัญญาไว้แล้วอันนี้เป็นเรื่องที่อันนี้เป็นเรื่องที่เราพวกเราต้องต้องต้องพูดพูดบ่อยนะเพราะในสังคมเราเนี่ยมีจริงมีมุสลิมที่เข้าใจว่าแหล่งรายได้นี่มาจากมาจากแหล่งที่ไม่ชอบแบบเนี้ยก็ทำบุญได้ซึ่งซึ่งศา ส, สนาอื่นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาหรอก ไม่ค <REY> ่อยมีปัญหาเออขาบอกว่าคนที่ทำบุญมากที่สุดนี่ก็ไอ้พวกธุรกิจสีเท่านี่แหละนะท่าบุญเยอะมากเลยทำบุญถึงขนาดที่พรบออกมาบังคับไปทำบุญเลยเออเงินสอสสนะเงินสป็นบุญเป็นพรบเลยนะออกมาพรบเลยเนี่ยหักหักเปอร์เซ็นต์ภาษีสี่เปอร์ซจากภาษีที่ได้มาจาก สุราลายสูบนั่นนะเกืสิบห้ากว่าปีแล้วเนี่ยตอนนั้นนะตอนที่ผมต่อต้านเรื่องนี้มากเนี่ยผมไปดูสถิติก็บอกว่าตอนนั้นหักภาษีนี่แสนล้านบาทสิห้าปีที่แล้วนะเดี๋ยนี้มัรู้เท่าไหร่แล้วไอ้สีเอร์เซนี่ยคือแสนล้านบาทแล้วแล้วก็แล้วก็เก้าสบหกอร์ซนล่ะหมายถึงว่าถ้าภาษีได้มาจากสุราลายสูบนี่หักไปสี่ปอร์ซะของภาษีนะนะอันนั้นนะบังคับเนี่ยมัด มาดูแลเรื่องสุขภาวะเรื่องเรื่องเนี่ยที่เขาทำโฆษณานี่ให้เล่าเท่ากับแช่งเนี่ยเี่มาจากสอสอสอบังคับเลยบังคับให้ทําบุญและถึงขนาดที่มุสลิมก็ไปไปตั้งมูลนิธิเพื่อสนองเอางบส่วนหนึ่งตรงนี้ตอนนั้นก็ไปตั้งมูลนิธิชื่สอสอสอสอสสอมอ แล้วก็เอาไปของส่วนหนึ่งของง บ, นนาบาเนี้ยเพราะในพรบเนี้ยให้ส่วนหนึ่งของภาษีเนี้ยไปแจกให้บรรดาองคอ์กรต่างๆที่ทํางานในสังคมเขาก็ไปของบตรงเนี้ยแล้วก็ไปแจกจ่ายวิทยุเผยแผอิสลามนะชมรมจัดบรรยายอะไรเงี้ยเอาเงินสสตะขอขึ้นไปขึ้นไปสนับสนุนโดย สสสอสามตัวนะที่นี่ถูกเชิญไปบรรยายนีย่เจอป้ายนี้นี่ไม่กลับทำไมถ้าเราจะพูดเรื่องเรื่องบุรนะีแต่ก่อนนั้นผมชอบพูดเรื่องบุรีจะพูดเรื่องบุรีได้ไงอะพี่น้องอย่าสูบบุรีแต่ไอที่เราบรรยายในตอนนี้เนี่ยสนับสนุนโดยภา ษ, ษีบุรี แต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้สัญญากับใครนี่ก็สัญญาระหว่างเขากับอัลลอฮ์ไม่มีใครรู้มันก็จะไม่กลายเป็นข้อตําหนิต่อสายตาของสังคมจึงเป็นประเด็นว่าบุคคลที่บนบานสาบานฟังให้ดีนะบนบานสาบานหรือเนยียตในใจในใจบนบานเราจะทําอย่าง ใจยังไม่ไมีพูดแม้แต่คําเดียวนะในใจแล้วไม่มีใครรู้ด้วยในใจบนบานสาบานเนียดมีแหลาคําบอกว่าใช่ผมเนียดแล้วนี่ถ้าขายที่ตรงนี้เนียดไว้แล้วถ้าขายที่ตรงนี้นี่นมาานนผมจะสร้างมรดสินหลังหนึ่งแต่พอแล้วมันขายที่ขายที่ได้แค่สามล้านต้องงบสงร้างมัดสินอีสีล้านทํามไม่เนี <laughs> บางทีฝันอะไรก็ต้องถ่อมตนนิด สัญญาอะไรก็นลยนี่ต้องอน้อยๆหน่อยคนที่เนียดเนียดถ้าสอบผ่านปีนี้เนี่ยถ้าสอบผ่านปีนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันจะถือสิ้นอดสิบวันเนียดในใจหรือบวชบานในใจต้องทำ ปฏิบัติตามที่เนี่ยตามสัญญาแตในบนบานไว้ในใจไหมทศนัอุลามาส่วนมากบอกว่าไม่ต้องในใจอะไรที่เราพูดไว้ในใจเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษแล้วก็ไม่เอาเรื่องถือว่าไม่มีไม่มีผลไม่มีผลด้านปฏิบัติเพราะท่านนบีสุลลลลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมได้บอกในข้อดีที่บนทึกดีมุสลิม อินนัลลอฮัลลมยูอาคิดอัมมัตีฟีมา حد ตัดบีห์น ه ا มาลัมต์คัลลัมบีห์อัลลอฮ์ไม่เอาโทษไม่เอาเรื่องกับประชาชาติอิสลามของฉันในเรื่องที่พูดวในจัย حد ตัดบีห์น ف س ه نفسه พูดวัน نفسه ในจัยมาลัมวันแต่ว่าแต่กันลัมบีห์ไม่ดิเปลงวาจาออก ไม่ได้พูดมาพูดมานี่ไม่ต้องมีสกีพยานนะไม่ต้องพูดหนะไม่ต้องพูดในหะ้คนนูน้นคนนี้ฟังนะไหมแค่พูดถ้าเพลงว่าได้เ น, นี่เราต้องรับผิดชอบแล้วด้วยความสำเน็จของเราเราต้องรับผิดชอบแต่ น, นี่ถ้ามีคนได้ยินอันนี้ก็ยิ่งแล้วเลยบนอย่างเงี้ยบนบนบานนารัตนารัตว่าจะทำอย่างนี้ย น, นี่ใจเนี่อันนี้อันนี้ไม่ต้องคทำไม่ต้องท่านี่ยหมาถึงว่าไม่วายิบแต่ถ้าเรา มีความสำนึกทักทำดีกว่าแต่มันไม่บาปถ้าเราไม่ทำในกรณีที่ไม่ได้พูดไวเนื่องจากว่ามุนาวิคนี้เนี่ยเขาไปเปล่งวาจากับชันว่าฉันนบีแต่ฉันมีแล้วนี่ฉันจะบริจาคฉันจะสดตกอคพอไม่สดตกอคอมันก็ละมันก็มันก็กลายเป็นเรื่องผูกมัดไงพูดอะไรวะเนี่ยก็ต้องผูกมัด แต่ถ้าไม่ได้พูดกับใครแล้วเราบนไว้หรือเนี่ยดไว้อะไรกับอัลลอ์พอได้แล้วตามที่เราได้เจตนาที่ต้องการเนี่ยนะพอได้แล้วเรากลับไม่ทำมันไม่บาปแต่ถ้าขืนทำแบบนี้ทำบ่อยแบบนี้เนี่ยขืนยินยันว่าจะเป็นแบบนี้เกรงมาก อาจจะมีพฤติกรรมของมุนา์ฟิกอิดเหมือนกันแต่นี้ไม่มีใครรู้หรอกมีแต่เรารู้ที่บิดผิวกับเราสุภาโนวตาทุกคนสัญญาว่าจะเป็นแบบนี้เดี๋ยฉันจะทําแบบนี้ถ้าฉันได้แบบนี้เดีบบฉันจะช่วยศาสนาแบบนี้นะครับและไม่ได้ทําพวกเราต้องหันมาเตือนตัวเราอย่างที่บอกกับพี่น้องมาหลายครั้งแล้วว่า เรื่องความเป็นมุนาภิกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันไม่ใช่เรื่องเวลาเราพูดถึงเรื่องผีผีปีศาจโอ้ยพูดถึงเรื่องสนุกเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ผีปีศาจพูดถึงเรื่องอื่นอย่างสนุกสนานหรือพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์เพราะเราต้องเขาเขาเขาทําอย่างวู้นเขาแต่โอ้ที่เรื่องเขาเราเกี่ยวอะไรล่ะ ไม่ <c oughs> ใช่ถ้ากุณอ่านเห็นกุณอ่านนี่ไม่ใช่นังสือประวัติศาสตร์ไว้ฟังมันไม่ใช่พิพิธภัณฑ์เข้าไปดูแล้วก็โอ้สวยมาโอ้เจ๋งโอ้ทึงได้แต่ทึ่งอย่างเดียวกุณอ่านไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ไม่ใช่นังสือประวัติศาสตร์แต่กุณอ่านเป็นทางนําสิ่งที่เราได้มาเล่าให้เราฟังเนี่ยมันต้องเป็นอุทาหรณ์ความเป็นมุนาเวกเนี่ยมันเรื่องใกล้ตัวฉะนั้น บทเรียนที่เราได้มาจากมาจากเหตุการณ์ของของมูนาฟิกินกลุ่มนี้เนี่ยสองบทเรียนสำคัญก็คือสิ่งที่เราได้สัญญาไว้กบอลเราสุภาโนมาตาวุามาจึงบอกว่าบนบ้านนี่มันมีสองประเภทบนบ้านประเภทที่ศาสนาไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนให้ทำ อละเรียกว่านดุนจจก็คือบนบานหรือสัญญาที่ผูกมัดกับรื่นหนึ่งเรื่องใดโอ้นบีถ้าฉันรวยเดี๋ยวฉันจะซดะกถ้าฉันมีตังมีทรัพย์เดี๋ยวฉันจะซดะกโอ้อัลลถ้าฉันสอบผ่านเดี๋ยวฉันจะทาอย่างงี้ถ้าฉันได้แต่งงานคนนี้เดี๋ยวฉันถ้าฉันได้ขายที่ดินเดี๋ยวฉันจะทถ้าฉันได้ตาแดงนี่เดี๋ยวอันนี้เนี่ยเหมือนเรา ตั้งเงื่อนไขกับลอสวาถ้าล ah อให้ฉันนะเดี๋ยวฉันจะให้มันมันคล้ายๆแบบนี้เนี้ยอลามาบอกว่ามันทำได้แต่เป็นนาซรเป็นบนบานมกรุไม่ควรทำแลวอะไรที่ควรทำาหะนาซรุตตะวรุบนบานบนบานทั่วไปทำโดยไม่มีเงื่อนไข ฉันบนว่าจะทำแบบนี้ฉันบนว่าจะตือนส้นฉันบนว่าจะเือดคุณบา่าฉันบนว่าบนโดยไม่มีเงื่อนไขถึงแม้ว่าเราเจตนาเจตนาว่าจะทำว่าจะทาเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่เราเจตนาด้วยว่าอัลลอฮจะให้หรือไม่ให้นะฉันทำอยู่แล้วสมมติว่าถ้าฉันสอบผ่านปีนี้เดี๋ยวฉันตื่นสิ้นอดสามวันผ่านหรือไม่ผ่านนี่ฉันก็ทำอยู่แล้วเนี่ยนัสรุตบะรุ อัลลอฮ์ถ้าฉันรวยถ้าฉันได้เงินเดือนดีฉันฉันมีตั้งแต่ตั้งนะฉับอัลลอฮ์ให้หรือไม่ให้นี่นะเราก็ทําอยู่แล้วแล้วถ้าเราปรับปรุงนิสัยของเราด้วยการทําความดีโดยการทําทําบุญทําในสิ่งที่อัลลอฮ์สุพรรณนวาวดาละเรียกร้องจากเราเนี่ยทาโดยไม่มีเงินไขเพราะอัลลอฮ์ได้ให้เราตั้งแต่เกิดเนี่ยโดยอัลลอฮ์ไม่มีเงินไข บอกว่าโดยฉันให้แกเกิดเนี่ยแต่แกต้องทําอย่างมุนอย่างนี้นะไม่มีเงินไข่เลยตอนเกิดมาเนี่ยมีไม่ใครเข้าไปในมุดลูกเซ็สนสัญญาก่อนด้ไม่งัง้นไม่ให้ออกเซ็สนสัญญาก่อนนะออกมานี่ต้องนะอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดอะไรเลยไม่มีเลยม่มีเงินไข่อะไรเลยเกิดมานี่มีริสกีโดยที่โดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งไปเต้นไปหาหนหะ เกิดมานี่ก็มีเต้านมของแม่กินอิ่มเสร็จแล้วนี่ก็มีคนมาป้อนอาหารถึงที่อัลลอฮ์ให้มาโดยไม่มีเงื่อนไขสมควรสำหรับผู้ศรัทธาที่จะกล่าวขอบคุณอัลลอฮ์โดยไม่มีเงื่อนไข